เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้เป็นยาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมานายทหรคนชอบเล่าวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะนำเสน อ, อนิทานเรื่องน่ารักน่ารักอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับลองฟังกันดูนะครับเมื่อนานมาแล้ว มีชาประมงผู้หนึ่งเป็นคนยากจนข้นแค้นมากเขาอาศัยอยู่ที่กระท่อมเล็กๆริมแม่น้ําใหญ่แห่งหนึ่งเขาชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีฐานะเหนือกว่าเขามากเนื่องจากพ่อของนางเป็นเจ้าของกิจการขายเรือขนาดใหญ่ในเมืองนั้นฝ่ายหญิงสาวมักจะมาหาหนุ่มชาวประมงบ่อยๆแล้วก็กล่าวอย่างตัดพ้อว่าพี่ไม่รักฉันหรือทําไมพี่ไม่ไปอยู่กับฉันสรกทีฉันอยากจะอยู่กับพี่อยู่กยใกล้ๆ จะได้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันคอยดูแลกันและกันตลอดไปหนุ่มชาประมงได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ท้อถอนใจพลางตอบไปว่าพี่รักเจ้ามากแต่ไม่กล้าไปขอเจ้าต่อท่านเศรษฐีหรอกนะพี่เข้าใจดีว่าท่านคงไม่อยากให้เจ้าแต่งงานกับคนที่มีฐานะที่ดีเจ้าจะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆมีอาหารดีๆกินมีเตียงนอนอันอบอุ่นไม่ต้องมาลาบากตรากตรำอย่างพี่ หญิงสาวได้ยินอย่างนั้นจึงกุมมือของชายคนรักแลวกล่าวว่าพี่อย่าคิดเช่นนั้นเลยพี่ก็รู้ว่าฉันต้องการเพิ่งได้อยู่แค่กับพี่เท่านั้นฉันสามารถทำงานบ้านและทำอาหารเองได้ไม่จำเป็นจะต้องมีคนรับใช้ฉันไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ๆและก็ไม่ต้องการอาหารที่ดีมากเลื่นเลยหรอกนะจ๊ะชายหนุ่มชาประมงเมื่อได้เห็นความมั่นคงจริงใจของหญิงสาวคนรักร ก, ก็ยิ่งรู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักจึงเอ่ยกับนางว่า เมื่อหลายวันก่อนญาติผู้พี่ของพี่ได้ส่งจดหมายมาจากเมืองไกลเขาเช็ญชวนให้ไปทํางานด้วยเป็นงานค้าขายเสื้อผ้าซึ่งถ้าหากถ้าพี่ไปค้าขายในเมืองสักหนึ่งปีก็คงจะเก็บเงินเก็บทองไปสู่ขอเจ้าได้แล้วนะแต่หากไม่ได้ไปค้าขายในเมืองและยังมีอาชีพหาปลายอย่างนี้เล็กๆน้อยๆหรือคอยซ่อมเรือให้ชาวบ้านไปวันๆอย่างนี้ก็คงไม่มีเงินพอที่จะทําอะไรเกี่ยวกับความรักของเราได้มากนะักหรอก หญิงสาวได้ฟังเช่นนั้นก็เปล่าได้ใบหน้าเศร้าหมองว่าการที่พี่คิดเช่นนี้ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าพี่ก็รักฉันและก็อยา ก, กแต่งงานอยู่กับฉันแต่พี่คิดเหลือไม่ว่าการที่จะจากไปทํางานในเมืองเป็นเวลานาน1ปีและฉันได้อยู่ทางนี้จะโศกเศร้าและคิดถึงพี่มากเพียงใดชาประมุงหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์อยู่ในใจหลังจากไปส่งหญิงคนรักกลับบ้านแล้วเขาก็ตรงไปที่ริมฝั่งแม่น้ําเพื่อจะนําเรือออกไปหาปลาตามปกติ ขณะที่เขากําลังครุ่นคิดอยู่ในใจว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรดีเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องทักมาว่าพอนุมเอ้ยพอนุมช่วยย้ายทีชายามองมอ ง, มอ ง, มองหาที่มาของเสียงแในที่สุดก็พบ ว, ว่าเป็นหญิงชราผู้หนึ่งยืนอยู่ดิ่มฝั่งแม่น้ํามือทั้งสองข้างถือกระสอบเก่าๆใบใหญ่มือหนึ่งและใบเล็กอีกมือหนึ่งสวัสดีเจ้ายายยาจะไปไหนหรือขอรับ หญิงชราเดินก็นย่องก็แย่งเข้ามาหาแล้วก็กล่าวว่าพอนุ่มเอ้ยช่วยพายายไปถิ่มเมืองทางทิศเหนือด้วยเถอะอย่าอยากกลับบ้านนุ่มชาะมงได้ฟังเช่นนั้นก็ถึงกับอึ้งนิ่งพระรู้ดีว่าเมืองที่อยู่ทางชายฝั่งด้านเหนือมีระยะทางไกลต้องใช้เวลาไปกลับนานถึงค้อนวันและขากลับมันก็คงจะใกล้เวลาย่ำเย็นจนไม่สามารถหาปลาได้เพราะตามปกติที่เขาได้เรือออกไปหาปลานั้น เขาก็จะแล่นเรือไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมและมีระยะใกล้ยายจ้ายายรอพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะวันนี้ฉันต้องไปหาปลาก่อนนะเพื่อ น, นําปลาไปขายในตลาดหากได้เงินมาสักเล็กน้อยพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ต้องออกเรือไปหาปลาอีกฉันจะได้พายายไปที่เมืองแห่งนั้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยจ้าหญิงเชลาสายหน้าและกล่าวว่าพายายไปวันนี้เถอะยายจําเป็นต้องกลับบ้านวันนี้จริงๆ ยายทิ้งลุกสาวยายไว้ตามลาพังหลายวันแล้วเธอกําลังป่วยดียายไปหายาจากในเมืองมาเธอกําลังรอยาและต้องการยานี้อย่างเร็วที่สุดเมื่อชาบประมงหนุ่มได้ฟังอย่างนั้นก็พยักหน้าและตอบว่าถ้าเช่นนั้นก็ตกลงจ้าฉันจะพายเรือพา ย, ยายไปส่งที่เมืองทางเหนือทางฝั่งนูน้นขึ้นเรือสิจ้าดูมชาวระมงรีบตรงไปช่วยแบกกระสอบใบใหญ่และกระสอบใบเล็กของหญิงชราลงเรือ และก็จูงแขนของหญิงชราลงเรือให้หญิงชราได้นั่งอย่างสบายที่สุดขณะที่หนุ่มชาวประมงพายเรือฝา่าเปลวแดดเรื่อยๆหญิงชราก็นอนหลับตาไม่ได้พูดจาอะไรสักคำจนเวลาเลอทิ้งวันไปแล้วสักครู่หนึ่งเรือจึงมาถึงดิมฝั่งของเมืองทางเหนือยายจ้ายายจ๊ ะ, ยยจะฉันพายายายมาส่งถึงแล้วจ้าหนุ่มชาวประมงพูดจบก็ช่วยคนกระสอบขึ้นจากเรือและก็ประคองหญิงชราขึ้นจากเรือ หญิงชราจึงเอ่ยขึ้นว่าพ่อนุ่มเอ้ยยายไม่มีเงินจะตอบแทนไอ้เจ้าที่เจ้าอุตส่าห์พายเรือมาส่งที่นี่หรอกนะนุ่มชะบังุงยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ปเป็นไรหรอกจ้ะยายฉันยินดีมาส่งฉันไม่ต้องการเงินทองอะไรจากยายหรอกจก้ะแต่หญิงชลาก็กล่าวว่าไม่ได้หรอกพ่อนุ่มเอ้ยเขาไอ้ยายได้ตอบแทนแม้สักเพียงเล็กน้อยก็ย่างดียายมีเศษดอกไม้แห้งอยู่สองกระสอบเนี่ยเจ้าจะเลือกกระสอบใด ควาจริงนั่นหนุ่มชาวประมงนั้นไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆเลยแต่เพื่อต้องการให้หญิงชร า, านั้นสบายใจเขาจึงคิดจะรับสิ่งของที่หญิงชร า, าอยากมอบให้แต่หนุ่มชาวประมงก็คุ้นคิดว่าในกระสอบเก่าๆนั้นหากมีเพียงเศษดอกไม้แห้งก็แสดงว่าหญิงชราคนนี้คงจะมีอาชีพนำเศษดอกไม้แห้งไปจับแยกเป็นห่อเล็กๆ เ, เพื่อทําเป็นเครื่องหอมสําหรับขายอีกต่อหนึ่งดังนั้น ตนควรจะเลือกเอากระสอบใบเล็กซึ่งแม้จะมีเพียงเศษดอกไม้แห้งแต่ก็อาจจะเป็นของกำนันที่ดีตนจะได้นําเศษดอกไม้แห้งที่หอมกรุ่นนิบไปฝากหญิงคนรักของตนถือว่านางจะใช้อบเสื้อผ้าหรือนําไปผสมเป็นน้ําอบหรือน้ําปรุงได้ใช้ต่อไปฉันขอกระสอบใบเล็กก็แล้วกันจะยายหนุ่มชบบาบงบุงกล่าวเมื่อล่ำลาหญิงชราแล้วหนุ่มชบบาบงบุงก็รีบพายเรือกลับมายังเมืองของตน ซึ่งกว่าจะถึงฝั่งก็ปรากฏว่าเป็นเวลาเย็นมากแล้วเขาไม่สามารถที่จะพายเรือออกไปหาปลาทางทิศตะวันตกอย่างที่คิดได้ดังนั้นหนุ่มชาประมงจึงนำเรือมาผูกไว้แล้วก็กลับไปยังกระท่อมของตนเองและหาเศษปลาแห้งๆเก่าๆที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมา ก, กินกับข้าวเป็นอาหารมื้อเย็นของวันนั้นด้วยเพราะไม่มีปลาสาหรับแบ่งไปขายและแบ่งทังเป็นอาหารเย็นสาหรับตนเองเมื่อค่าลง หุ่มชาวประมงก็จุดตะเกียงพรางคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นตัวเช้าตู่ออกไปหาปลาและเมื่อคิดถึงเศษดอกไม้แห้งชาวประมงหนุ่ก็เอื้อมมือไปหยิบกระสอบใบเล็กที่เก่าคึ้นคร่าแกะมออกดูว่าจะมีเศษดอกไม้แห้งมากขนาดไหนและมีกลิ่นหอมผวนเพียงใดขณะแก้เชือกที่ผูกปากกระสอบออกหนุ่มชาวประมงก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่าภายในกระสอบนั้นมีทองคำบรรจุยอยู่เต็มหนุ่มชาวประมงไม่รู้จะทําประการใดดีด พยายามคิดทบทวนว่าหญิงชลาให้กระสอบมาผิดไปหรือเปล่าหรือว่ากระสอบเสษดอกไม่แห้งสามารถแปลงเป็นทองคำมาได้เองจริงๆใช้หนุ่มได้แต่กระวลกระวายคิดไปต่างๆนานาจนในที่สุดก็เผลอหลับไปคืนนั้นหนุ่มชาบระมงได้ฝันว่ามีสตรีผู้หนึ่งมีรูปโฉมงดงามเป็นที่สุดเธอมาปรากฏกายในกระทบน้อยของเขาและก็กล่าวว่าเจ้าเป็นคนดีมาก ดังนั้นข้าจึงได้ให้รางวัลตอบแทนความดีของเจ้าขอให้เจ้าได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เจ้ารักและใช้ชีวิตอยู่กันอย่างมีความสุขและจงอย่าลืมทําความดีตลอดชีวิตของเจ้าแล้วหญิงผู้งดงามนั้นก็อัตทานหายไปชายหนุ่มสะดุ้งตื่นขึ้ น, นมาพลางนึกได้ว่าหญิงชราที่ตนช่วยพาไปส่งยังเมืองทางเหนือซึ่งมีระยะแสนไกลนั้นนะ่ะที่แท้คงเป็นนางฟ้าผู้ใจดีที่มอบทองคําเป็นของขวัญให้เขานั่นเองในที่สุด หุมชาปมงค์จึงจได้นําสินสอดทองมั่นไปสู่ขอหญิงสาวคนรักจากนั้นก็ได้แต่งงานกันแล้วอยู่กินกันอย่างมีความสุขหนุ่มชาปมงค์ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ภรรยาของตนรับรู้และต่อมาเมื่อมีบุตรทั้งสองก็อบรมสั่งสอนบุตรของตนให้ยึดมั่นในการทําความดีตลอดไปนิทานแห่งความดีเรื่องนี้จึงจบลงด้วยประการชนนี้แลอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมไปหาเรื่องมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการได้รับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ